أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا م ُ ض ل ل ه وما ي د ل ل ه فلا ه ا ر ي ئ ا ما ب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันในสุรอะเลอิ ล, ล, ลูนะครับผมในสุรที่92อเลนในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่สําคัญมากอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมสืบเนื่องมาจากครั้งก่อนที่ว่าเราได้คุยกันในอายะที่5 6 7 8 9 10ไปแล้วนะครับซึ่งเราได้รู้แล้วว่าตอนนี้พุทธวัตรได้ทรงบอกให้กับผู้ศรัทธาได้รับรู้ไว้ว่ากุญแจแห่งความง่ายดายนั้นมีอยู่3ดอก ในขณะที่ว่ากุญแจแห่งความยากลําบากนั้นก็มีอยู่3มดอกเช่นเดียวกันหมายความว่าในชีวิตของพวกเราทุกคนครับชีวิตของพวกเราผู้ศรัท ธ, ธาหลายครั้งที่เราจะพบว่าในหลายช่วงของชีวิตของเราบางทีเราจะทําอะไรก็ดูมันจะติดขัดไป้งหมดดูจะทําอะไรมันก็ยากลําบากหรือว่าบางครั้งรู้รู้สึกเหมือนกับว่าทําอะไรมันก็ง่ายทางสะดวกไปซะหมดทั้งหมดนั้นล้วนเป็นบททดสอบแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่มีคําอธิบายในตัวของมัน พี่น้องที่รักครับท่านใดที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยชีวิตมันมีแต่ความยากลําบากมันมีแต่ความติดขดัดมันทําอะไรก็รู้สึกมันไม่ใช่ไปหมดนะครับรู้สึกว่ามันมันมันแทกจะผิดปกติเกินไปแล้วเราต้องทบทวนในซ้อนเลยบทนี้ครับผมเพราะว่าพราะรัตนได้บอกไว้นะครับว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่เขาต้องการความง่ายใดในชีวิตของเขาคือความง่ายใดมีสองแบบหลักๆอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับ ชีวิตง่ายได้เพราะพวกเราทิ้งไปแล้วทิ้งเขาไปแล้วก็คือทำอะไรก็ง่ายไมหมดเพราะว่าพวกเราไม่สนใจเขาแล้วเราไปลงโทษทีเดียวแต่ถ้าเราไม่ใช่คนประเภทนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาที่ยังเชื่อมั่นในความเมตตาของพวกเราอยู่แล้วเราอยากได้ความง่ายได้จริงๆพวกเราบอกไว้ว่ามีสามอย่างที่เราต้องทำให้ได้ครับฟาอัลมามัณอัลโตอัลตะกออัลซอตะกอบิลฮุสฟซยัสซิรลิลสร กุญแจแห่งความง่ายดายในการดาเนินชีวิตถึงแม้ว่าจะบททดสอบจะถาโถมหนักแค่ไหนก็ตามพวกเราบอกไว้ครับว่าหากทำได้สามอย่างเราจะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้โดยที่เราเองก็คาดคิดไม่ถึงอย่างแรกคืออะไรครับอ้อาวต่พี่น้องจำไว้เลยนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตมาเริ่มลำบากเนี่ย พี่น้องต้องบริจาคให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วพี่น้องต้องมีการช่วยเหลือคนอื่นให้มากขึ้นแล้วพี่น้องต้องมีความเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นให้มากขึ้นต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เพราะมันตรงข้ามกับสัญชาตญาณของมนุษย์ถูกไหมครับของคนเราเนี่ยยิ่งลําบากแล้วที่ยิ่งรู้สึกหวงเห็ยิ่งรู้สึกงกซึ่งบางทีชีวิตมันจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกแต่สําหรับมุสลิมครับคำสอนอิสลามก็คือยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณลําบากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณต้องรีบเป็นผู้ให้้ททันนนีีคคืือออุณตงรบบเป็ม อย่างที่ย้ำกันเป็นประจำก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นในรูปของเงินคือผมไม่ได้มาเรียอะไรให้ใครบริจาคอะไรยังไงไม่เกี่ยวเลยผมเพียงแต่บอกว่าตามที่พวงมาลัยได้ทรงกล่าวไว้ก็คือใครก็ตามที่อยากแก้ชีวิตเขามีความง่ายดายนี้เขาต้องทํสามอย่างอย่างแรกก็คือเขาต้องเป็นผู้ให้ให้ความช่วยเหลือเอาคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยแหละครับไม่ต้องมาให้ผมให้อะไรผมไม่เคยเรียกร้องอย่างที่ย้ําไว้นะครับคนใกล้ตัวพี่น้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเดือดร้อนยากลําบาก ลูกหลานเราพี่น้องของเราเพื่อนบ้านของเราเครือญาติของเราหยิบยื่นที่จะเป็นผู้ให้ให้ความช่วยเหลือลรูปแบบไหนก็ได้อย่างน้อยก็คือยิ้มให้เขาก็ยังดีหรือว่าพูดกับเขาดีๆก็ยังเป็นสิ่งที่ดีแต่ย้ํานะครับใครที่เริ่มสื่อว่าชีวิตมีความยากลําบากประการแรกที่เราต้องทําโดยด่วนที่สุดก็คือต้องเป็นผู้ให้ให้ความช่วยเหลือใครก็ได้เท่าที่เราจะทําได้อันที่สองครับวัตตะ ในการให้นั้นเราต้องมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วเราต้องให้ความตักวานี้อยู่ในใจเราในพฤติกรรมอื่นด้วยคือนอกจากจะเรนรู้เป็นผู้ให้ปุ๊บเราก็ต้องมีความกลัวเกรงต่ออัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นเพราะไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากอัลลอ์หากพระ อ, องค์จะให้ยากลาบากไม่มีใครทาให้มันง่ายได้หากพระ อ, องค์อัลลอ์จะให้มันง่ายสบายก็ไม่มีใครทำให้มันยากได้ เพราะฉะนั้นต้มีความตักวาต้องเข้าหาผู้อัลลอฮ์ต้องมีการละหมาดต้องมีการถือศีลอดต้องการมีการทําอะไรก็ตามที่ดีให้มากยิ่งขึ้นอัต้อวัตตักอเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็มีความตักวาและทิฏฐา ม, มาคืออะไรครับวัตส์ต์แะก็บิลฮุสนาอย่าลืมเราต้องเชื่อมั่นในความดีงามที่ผู้อัลลอฮ์และเราสืบเขาองค์สัญญาไว้ให้กับเราทั้งที่องค์สัญญาว่าใครทําดีต่างๆพวกเราจะตอบแทนให้กับเขา ทางที่พระองค์สัญญาว่าสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นในโลกหน้าพระองค์เตรียมการตอบแทนที่ดีงามไว้ให้ทั้งในเรื่องของสวรรค์ทั้งในเรื่องของความง่ายได้ทุกสิ่งทุกอย่างงั้นถ้าอยากให้ชีวิตมีความง่ายได้ทาให้ได้สมอย่างเป็นผู้ให้ให้บ่อยขึ้นแล้วก็ต้องตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์และเราศูนบอกถ้าพี่น้องมี3อย่างจะทําอะไรง่ายได้แน่นอนผมไม่ใช่เป็นผู้รับปากกับพี่น้อง เพราะผมให้คุณให้โทษใครไม่ได้แต่พระองค์ละผู้ทรงสูงส่งเป็นผู้รับปากเอาไว้อะมมามันอัตโตวัตตะกอวัสดะกอบิลหุส์นี่คือสิ่งที่พระองค์ละได้รับรองหรือว่ารับปากไว้ให้กับพวกเราทุกคนก็คือรับปากไว้ให้กับผมด้วยรับปากให้พี่น้องด้วยกับใครก็ตามที่ศรัทธาต่อองค์นี่คือสมอย่างที่ต้องทําให้ได้ต่อไปครับพระองค์ละได้บอกเลยว่าแล้วมีอีกสามอย่างที่ว่าใครก็ตามที่ทํามันเนี่ย เขาก็จะพบว่าชีวิตเนี่ยมีแต่ความยากลําบากต่อให้มีเงินมีทรัพย์สิสนอะไรก็รู้สึกมันติดขัดไปหมดจะทําอะไรก็ดิต้องประหยัดตรงนั้นต้องประหยัดนีด่รู้สึกว่ามันมันฝืดไปสมดุดมันมีแต่ความทุกข์ไปสมดุดมันมีแต่ความแย่ไปสมอพมระบ๊อบอกไงครับให้ดูนะว่าทำสามอย่างนี้หรือเปล่าถ้าทำสามอย่างนี้มันจะลงล็อกแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความยากลําบากทําอะไรก็ยากไปหมดนั่นคืออะไรครับพระบ๊อบไดพูดต่อมาในอายะที่ 8 9ดนะครับผมว่ามาเมมเบอคิลสตกน่ส่วนใครที่เขาเป็นคนขี้เหนียวพี่น้องทีละครับกุญแจแห่งความยากลำบากกุญแจดอกแรกใครก็ตามที่เป็นคนตรหนีที่เหนียวไม่ยอมใช้สิ่งที่ควรใช้กับที่ที่ควรใช้คนขี้เหนียวชีวิตไม่มีความง่ายดายครับจะทำรู้สึกมันติดมันขัดมันไม่สบายมันลำบากมันยากย็นไปหมดพี่น้องลองไปดูเลยเฝอมามมามมเบอคิลลาเสต์กน เงื่อนไขข้อแรกครับคนที่ว่าเป็นคนตรหนี่ถี่เหนียวในขณะเดียวกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยสามารถใช้ได้จ่ายอย่างเต็มที่แล้วก็มีความหยิ่งยโส ว, ว่าตัวเองนั้นไม่จําเป็นต้องพึ่งอะไหยิ่งยโสในนี้ก็คือไม่คิดถึงพวกอะไรเลยเนี่ยที่ฉันรวยได้เนี่ยเพราะฉันทำของฉันเองเนี่ยฉันไปกระมิดกะเมยมาเนี่ยฉันไปโกงเข้ามาเนี่ยฉันไปทําเงี้ยฉันไปทำอย่างนี้ what's that นะคิดว่าตัวเองนั้นอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไร นี่คือคุณลักษณะข้อที่สองของคนที่ว่าชีวิตของเขาทําอะไรก็มีแต่ความยากลําบากอันแรกคืออะไรนะครับตรณีที่เหนียวบาคิล่าตรณีทีเ่เหนไม่พอวัสตาร์กานาคิดว่าตัวเองนั้นไม่จําเป็นต้องพึ่งพาหรอว่ากาดะบาบิลฮุสนาสามข้อซึ่งตรงข้ามกับ3ามข้อแรกเมื่อกี้ถ้าคุณไม่เป็นมือบนก็แปลว่าคุณขี้เหนียวแน่นอนถ้าคุณไม่เชื่อมั่นตลอดหรอกก็แปลว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเอง ถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ดีงามก็แปลว่าคุณปฏิเสธสิ่งที่ดีงามว่ากาดบาบิลฮุสนาเฟอร์นูยัสซีรูฮูเลอลสรอแล้วก็ใช้ชีวิตเขานั้นเจอแต่ความยากลำบากหมดเลยเพราะนั้นนี่คือกุญแจทั้งสมดอกกุญแจแห่งความง่ายดดยแล้วก็กุญแจแห่งความยากลำบากอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกใช้สามดอกไหนสมดอกแห่งความง่ายดหรือสมดอกแห่คงหหความยากลาบาก เพราะนั้นใครที่กำลังมีความยากลาบากอยู่ตรวจสอบตัวเองให้ดีว่าเราเผลอบางทีเราอาจจะไม่ได้ทํา3ข้อเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ทํา3ข้อเราอาจจะคิดว่าเราทําข้อเดียวเพียงแต่ว่าการทําข้อเดียวมันก็เหมือนกับการทําอีกสองข้อตามมาโดยอัตโนมัติคือมันตามมาโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็ขอเตือนทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่รักนะครับให้ระวังแกให้ดีๆนะครับผมในเรื่องของการมีชีวิตที่ยากลาบากซึ่งเราก็ได้พูดกันไปในตอนที่แล้วว่ายากลาบากในที่นี่มี2อย่าง2องในยะ ในยะแรกก็คือยากลาบากจริงๆทําอะไรติดขัดไปหมดกับในยะที่สองก็คือกลับกันทำมุสลิมรู้สึกว่ามันง่ายหมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับดุลยายนี่มันง่ายหมดแต่พอจะทําอะไรเกี่ยวกับอาร์เคโรนี่มันยากไปหมดเลยจะทําอะไรให้ล้อรกักให้ล้อพวกล้อทรงรักเนี่ยมันยากไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นความยากอีกรูปแบบหนึ่งทั้งคู่ไม่ดีทั้งคู่ครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับในวันเกียร์มานะั้นเป็นวันที่ว่ามุสลิมเราไม่ควรที่จะล้อเล่นกับมัน เพราะว่านับตั้งแต่ตอนที่เราเสียชีวิตแล้วครับมันก็เป็นการเดินทางเส้นทางเดียวมาเป็นวันเว์ไม่มีทางจะกลับมาแล้วซึ่งการเดินทางไปนั้นจะมีแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็น่าสะพรึงกลัวแล้วก็น่าหวาดกลัวรอเราไปเรื่อยๆพราเราได้กล่าวไว้ครับในสุรัสหักก็ครับอยามาไมดินตัวเราดูน่าลยตักแฟมิ่งคุมค้อฟิยะ فأما من أُتي كتابه بامينه فيقولها أم قراء كتابية إني زلنت أني ملاك حسابية فهو في عشتين راديا เพราะเรากไว้ในกุรานเขาว่าถึงสภาพในอันเกียยมาเนี่ยเมื่อถึงเวลาแห่งการสอบสวนพวกราบอกไหมครับยาวไม่ดินตัวรอดูและตัวรดูละกแฟมินกลุ่มขาฟาในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรที่หลุดรอดไปได้ จะไม่มีอะไรที่ว่าเป็นความลับที่ถูกปิดบังอะไรที่พวกเจ้าทำไว้สิ่งไม่ดีไม่งามที่เจ้าทำไว้จะไม่มีอะไรที่ว่าถูกปิดบังกับเราเลยคือเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำอะไรแล้วจะเกิดอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราทามาทุกอย่างจะถูกเปิดเผยตีแผ่อยู่ในบันทึกของเราถึงขั้นผู้ไปเสดจารว่าไงครับคำภีนี่มันอะไรกันเล่าเนี่ยมันบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ว่า ลาอยูก่กอดิลุสอรีรัตวาลากาเบรัตอิลาสะเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนบันทึกไว้หมดเลยเลยคือไม่มีอะไรปกปิดในโลกหนาเราจะได้รู้ทั้งหมดฝ่าอัมมาแมนูเทียกิตาบาฮูเบียมิพราเราบอกไงครับส่วนผู้ใดก็ตามที่ได้รับบันทึกของเขาบันทึกที่บันทึกชีวิตของเขาเป็นไดอารี่ประจำชีวิตของเขาเลยว่าเขาทำอะไรบ้างตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ใครก็ตามได้รับบันทึกนี้ด้วยกับมือขวาด้วยกับมือขวาฟยกูรูฮาอุมุกราอูกิตาบียเขาก็จะดีใจไงครับเพราะคนที่ได้รับจากมือขวาหมายถึงชาวสวรรค์ครับพี่น้องคือคนที่ว่าเขายอมเหน็ดเหนื่อยในโลกนี้เพื่อไปสบายในโลกหนา คือคนที่เขามองโลกุรยาออกมองว่าโลกนี้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความทรมานมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความโกรธเกลีย์มีแต่ความมาค่ า, า, ม, คา ม, มีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีเต็มไปหมดเขาก็เลยยอมทุ่มชีวิตเพื่อไปเจอชีวิตที่ไม่ต้องเหนือ่อยไม่ต้องลําบากไม่ต้องทรมานไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกแย่กับใครไม่ต้องโดนใครหักหลังก็คือโลกอาเกโรเพราะนั้นเมื่อถึงเวลาขอรับบันทึกด้วยกับมือขวาเขาจะบอกว่าไงครับหาอุมุกราอูกิเตะบปยะ พวกค้มานี้มาีมาดูกันนี่เนี่ยดูบันทึกของฉันสิพี่น้องกลังจินตนาการถึงเด็กสักคนครับเวลาที่ว่าได้ผลสอบและสมมุติว่าได้เต็มทุกวิชาอย่างเงี้ยความรู้สึกของหนูน้อยก็คงจะวิ่งไปหาคุณพ่อคุไแม่เราบอกพ่อแม่จา๋าดูดูดสิหนูได้เต็มวิชานั้นหรือหรเต็มวิชานี้นั่นคือดุลย์แต่ในวันเกียรมากครับที่ว่าเครียดสุดๆฉันจะรอดไม่รอดกว่าจะถูกสอบสวนกว่าจะอะไรได้รับบันทึกมาก่อน ด้วยความดีใจครับเปิดมาเอาทมดีแล้วเอาลอยยกโทษให้ทําความผิดเอาลอยยกโทษให้แล้วก็มีส่วนที่ว่าทําความดีอมั่นความดีที่ว่าอลลอยเมตตาเพิ่มผลทวีคูณให้ทุกอย่างที่ทําอยู่ในบันทึกนั้นเจอแต่สิ่งที่ดีเจอแต่ถึงที่สบายใจก็ภูมิใจแล้วก็อยากอวดให้คนอื่นรู้หาอุมุคราอกิตาเบียมาสีมาสีม า, สมาอ่านกันมาอ่านกั น, า อ, า น, กนอินนีโซนั่นตัวอันนีมูเลกินไฮเซ่เบียฉันนเะชื่อมั่นมาตั้งนานแล้วว่าฉันจะต้องเจอถูกสอบสวน ตอนนั้นพูดออกเลยครับหลังจากที่ผ่ า, านความเหน็ดเหนื่อยในดุนยาหลังจากที่ผ่านความาลุ้นในหลุมฝังศพหลังจากที่ผ่านการที่ว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่พวกอลอสจะทรงเริ่มการสอบสวนหลังจากได้รับบันทึกแล้วพบว่ามีแต่สิ่งดีๆในนั้นด้วยกับความสุขเขาก็ประกาศพูดเลยแหละอ็นนีตอนนั้นตูอันนีโมลากินไฮซาบิยาเฉันมั่นใจมาตั้งแต่ตอนอยู่ดุนยาแล้วว่าฉันต้องเจอสอบสวนแล้วฉันก็ถูกสอบสวนจริงๆแล้วก็ดูสิบันทึกที่ฉันถูกสอบสวน ฟัวฟรีอิชติรอดเดียเพราะว่าบอกาไงครับบายของพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรครับเขาจะอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความพึงพอใจสุภาโนโรครับพวกเรารวสรุปชีวิตในอาคียร์ด้วยกับคำคำเดียวได้ใจความเลยอิชตินรอดเดียเป็นชีวิตที่เขาพึงพอใจพี่น้องลองคิดดูเราแมานั่งคิดดูชีวิตในดุญญาตอนเนี้ยพูดกันแบบจริงๆนะแบบเนื้อแท้เลยนะครับเราจะพบว่า มันจะมีทั้งด้านที่เราชอบกับด้านที่เราไม่ชอบถูกไหมครับเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับคนสารพัด ท, <estou S 1> ที่เราเจอเร า, า จ, จะมีความสุขกับคนบางคนที่เราเจอแล้วอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกอะไรมันจะมีความรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างเพียงแต่ว่าบางคนควบคุมใจตัวเองได้ก็จะบอกว่าเออฉันก็พอใจในตอนนี้ละแต่มันไม่ใช่คําว่ารอเดียความพึงพอใจที่แท้จริงแต่โลกหน้าครับสําหรับชาวสวรรค์พวกเราสรุปว่าหัวหัวฟาหัวฟีไอชิตรโอเดียเขานั้นจะอยู่ในชีวิตที่ เ ข, พพขเา desserts. พึงพอใจพี่น้องคิดอะไรพี่น้องได้ตามนั้นเลยในสวรรค์เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการย้ํานะครับว่าพี่น้องที่รักครับในสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับพวกเราทุกคนที่ได้เป็นชาวสวรรค์ซึ่งก็ขอดอวยให้พวกเราทุกคนเป็นชาวสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านนรกไม่ต้องเป็นจันนมยุนสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้นั้นเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการพี่น้องคิดดูชีวิตที่มันไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วอะ มันไม่ต้องทรมานอีกแล้วมันไม่ต้องลําบากอีกแล้วมันไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอีกแล้วมันไม่ต้องป่วยอีกแล้วมันไม่ต้องแก่อีกแล้วมันไม่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นข้อเสียอีกแล้วอ่ะพี่น้องมันจะเป็นชีวิตที่เกินจินตนาการแค่ไหนขนาดดุนยาเรามีความทุกข์มากมายแล้วก็ยังไม่อยากตายถูกไหมครับเราก็ยังอยากอยู่ไปนานๆแต่พี่น้องคิดดูว่าถ้าเป็นชีวิตที่มันสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้ล่ะที่มันเกินจินตนาการยิ่งกว่านี้ล่ะ ที่ว่าเราอยากได้อะไรเราก็ได้ในสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ฟาหัวฟ ah ีไอเชติรอดียเขานั้นอยู่ในชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ว่าเขาพึงพอใจฟียันเตินแอริยาเขาจะอยู่ในสวรรค์ที่ว่าอยู uh ah ่สูงส่งกูตูฟูฮแดเนียเวลาพักผ่อนต้นไม้ผลไม้พี่น้องคิดดูพวงละเปรียบเทียบพวงละบอกให้เรารู้ครับอย่างในดุนยาเรื่องบางเรื่องเรามองว่ามันไม่ใช่เหน็ดเหนื่อย แต่บางทีเมันอาหจะเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยอย่างเวลาถ้าเกิดพี่น้องปลูกผลไม้อะครับบางทีปลูกต้นมะม่วงอ่ะต้นนี้เป็นต้นโปวดเลยถึงเวลาปุ๊บพี่น้องก็ต้องมาเลงว่ามันมีลูกใกล้ๆไหมถูกไหมครับที่ว่าฉันจะยี้เอื้อมถึงไหมซึ่งส่วนใหญ่ ม, มันเอื้อมไม่ค่อยถึงหรอกถูกไหมครับยิ่งเป็นต้นที่เราชอบชอบต้นใหญ่ๆนะอาจจะต้องใช้ไม้เกี่ยวอาจจะต้องใช้อะไรนี่ถือว่าเป็นความลําบากเลยนะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ความลําบากสําหรับเราแต่โลกหน้าความลําบากอย่างนี้มันยังไม่มีเลยครับเพื่อนเราบอกไงครับ กุตูฟูฮาแดนี่ ya ผลไม้ต่างๆแล้วมันอยู่แค่เอื้อมมือไปหยิบคือนอนเอกเหนียสบายปุ๊บอยากกินอะไรอยากกินผลไม้นี่มันอยู่ใกล้มือหยิบเข้ามากินได้เลยมันสบายขนาดนั้นนะพี่น้อง ก, กุตูฟูฮาแดนี่ ya بلو و ม ر ب و هني أ ฟ بيم أسلفتم في า ي في الأيام الخالية ف ไงครับ กูรูวัชราบูจงบริโภคจงกินจงดื่มให้เต็มที่เลยตอนนี้ดูยาเราจะกินจะดื่มก็มีขีดจากัดถูกไหมครับกินแต่รักษาให้มันแบ่งท้องเป็นสามส่วนจะกินของฮาลอมก็ไม่ได้ต้องกินแต่ของที่ฮาลานต้องระวังความสะอาดต้องอะไรสารพัดโลกหน้าไม่แล้วกูรูวัชราวูฮานิอันจงบริโภคจงกินจงดื่มอย่างอิ่มเอมอย่างมีความสุข กินแบบให้มีความสุขเต็มที่ไปเลยแบบไม่ต้องห่วงทุกข์คือกินไม่ต้องกลัวแน่นท้องด้วยอยากกินเท่าไหร่กินไปเต็มที่ไม่เป็นอันตรายไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะตามมาไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วกูรูวัชรบูฮันีอัมบีมาอสลัฟตุมฟิลอเยมลคอเลียเจ้าจงกินจงดื่มอย่างมีความสุขอย่างอิ่มเอมด้วยกับสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายมาแล้วในวันที่มันผ่านพ้นไปแล้ว อายามิลคาริยะหมถึงอะไครับวันที่ผ่านพ้นไปแล้วคือในโลกดุนยามันกลายเป็นอดีตพี่น้องคิดดูครับว่าเวลาเราทุ่มเหนื่อยอะไรสักอย่างบางคนอาจจะทุ่มเทเพื่อสร้างบ้านพอเราเห็นบ้านมันเสร็จแล้วเราเข้าไปอยู่ในบ้านอาดีตที่เหน็ดเหนื่อยมันก็เหมือนจะเลือนหายไปเลยถูกไหมครับหรือเราทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้อะไรพอเราได้มาปุ๊บหลายครั้งที่เราจะพบว่าความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมามันเป็นอดีตไปแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้ว เช่นเดียวกันครับชาวสวรรด์เมื่อเข้าไปในสวรรค์เขาก็จะพบว่ามันก็ผ่านมาแล้วฉันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยฉันคิดว่าฉันแย่จริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้หนักขนาดนั้นการทําอิบาร์ด้ามันไม่ใช่เรื่องที่เหนื่อยหน่ายขนาดนั้นชาวสวัสด์จะยิ่งคิดด้วยซ้ว่าถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันดีกว่า น, นั้นก็จะได้ระดับขึ้นสูงขึ้นไปอีก กุลูว่าชรับูฮะนิอัมบีมาอัสลัฟตุมฟิลัยยามิลข้าลียะว่าอัมมานอุตยาคิทับหูบีชิมาลีฮีฟายกูยาไลต์นิลามอุตคิตาบียะพี่น้องที่รักยิ่งครับหากว่าตรงกันข้ามล่ะในอัลกุรอานจะมีสัมนวนที่เรียกว่าอัตตารีบูวัตตารีบูเมื่อผู้ละล็อพูดถึงอะไรที่เป็นด้านบวกผู้ละลก็จะพูดถึงอะไรที่มันเป็นด้านตรงกันข้ามกัน เมื่อพูดถึงชาวสวรรค์ใช่ไหมอยู่ในสวรรค์มีการพูดว่าเต็มที่อยากทาแล้วก็เต็มที่คุณเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วตอนนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วแล้วถ้าเราไม่ใช่คนประเภทนั้นแหละนางอุบินลาเมนดาลิกถ้าไม่ใช่คนประเภทนั้นเขาก็จะได้รับบันทึกด้วยกับมือซ้ายวะอัมมามัน ma อูเตกิตาบูบิชิมาที่ส่วนใครก็ตามที่รับบันทึกของเขาด้วยกับมือซ้ายฟายากูลูยาไลตันีลำอูตะกิตาเบียเขาก็จะพูดว่าอานิจจาเอย๋ย สวยแล้วแย่แล้วถ้าฉันไม่ได้รับบันทึกเกอดีเพราะเปิดมาปุ๊บนี่คือแดงเขือกเลยครับอพราะฉันเนกิดทำความชั่วความ ช, วชั่วเปิดมาแต่ละหน้านี่จะควานหาความดีที่เตียงทำนี่แทบไม่เจอเลยในยีบสี่ชั่วโมงที่ถูกบันทึกอย่างละเอียดมีเรื่องของความดีโผลมานาทีสองนาทีสามนาทีบางทีไม่ได้ทำความดีเป็นอาทิยาายตย์ยะเลตนีลำอูตะกิตาเบียวะลำอัตริมาฮิซาเบีย ถ้าฉันไม่ได้บันทึกนี้ก็ดีแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันพวกเขาจะสอบสวนฉันยังไงมันจะเป็นยังไงต่อคือมือดเลยการไม่รู้ยิ่งทรมานพี่น้องเห็นด้วยไหมครับสมมตุติเรารู้นะี่แะว่าเราอาจจะต้องตายหรือเราอาจจะอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้ว่าจะตายยังไงเมื่อไหร่รู้แต่ว่ามันจะตายแล้วยิ่งทรมาน ชาวนาโกครับเช่นเดียวกันครับเมื่อได้รับบันทึกมาจากมือซ้ายปุ๊บบอกว่าไม่ได้รับบันทึกนี้ก็ดีแล้วก็ฉันก็ไม่รู้ด้วยฉันจะถูกสอบสวนยังไงต่อไปอยา่าเลยตาแหกันนะติลก็เดโอ้ถ้าเกิดว่าฉันตา ย, ตายไปได้ก็คงจะดีในดุนยาหลายคนก็บอกว่าลุงนาไ ม, ม่มีจริงก็คิดว่าแข่ตายแล้วก็จบไปเลยเพอถึงเวลาเจอว่าลุงนามีจริงปุ๊บโอ้ถ้าเกิดฉันตายไปได้เลยก็ดีคือไม่คิดเรื่องสวรรค์แล้วไม่มีในหัวแล้ว คือขอแต่ว่าให้ตัวเองนั้นกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินเหมือนกับสิงสาราสัตว์ให้ตายแบบถาวรไปเลยไม่ต้องมาถูกสอบสวนไม่ต้องมาถูกประจานไม่ต้องมาถูกทรมานที่เกินจินตนาการย่เลยต่ฮาแกในติวโเดียมอร์อานาอันนีเมลียาทรัพย์สินที่ฉันขวนขวายไว้นะ่ะมันช่วยอะไรฉันไม่ได้แล้วในดุนยาเนี่ยคือทรัพย์สินคือทุกอย่างอำนาจคือทุกอย่างบางคนเพื่อทรัพย์สินเพื่อ อ, อำนาจ จะไปฟอ้องร้องคนอื่นให้คนอื่นหายานะยังไงจะไปหลอกลวงคนอื่นจะไปหักหลังคนอื่นทําได้ทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อทรัพย์สินแต่เมื่อถึงเวลาโลกหน้าครับทรัพย์สินเหล่านี้มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขารู้ตัวเองแล้วนะเวลานั้นครับเขาบอกเลยครับว่ามาอัคนีมารีฮาลกอันนีสุลตานีะไม่ใช่แค่ว่าทรัพย์สินนะไม่ช่วยอะไรฉันแล้วนะ อำนาจที่ฉันเคยมีมันก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้แล้วมันหายไปแล้วจากฉันในดุลยาบางคนครับใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบไปอาธรรมคนอื่นไปทําร้ายผู้อื่นไปทรยศไปเนรคุณไปหักหลังไปทําสินเชื่วช้าต่างๆถือว่าฉันทําได้ฉันมีอำนาจฉันเหนือกว่าคนอื่นอันแรกนี่คือคิดว่าทรัพย์สินกะ็คือทุกอย่างทรัพย์สินช่วยไม่ได้แล้วอันที่2คิดว่าอำนาจเนี่ยก็คือทุกอย่างบัญชาคนทุกคนได้ถึงเวลาโลกหน้า ไม่เหลืออำนาจอีกแล้วอำนาจเหลือแต่เพียงอำนาจของพระองค์เพียงผู้เดียวฮาลักะอานี้สุลตอเนียคูดูฮูเฟอรุลูหลังจากที่อยู่ในสภาพที่หมดสิ้นแล้วซึ่งทุกอย่างหมดสิ้นหวังจะตายก็าตายไม่ได้คือความที่รออยู่คืออะไรก็ไม่รู้ก็จะมีเสียงบอกว่าไงครับจงนําตัวเข้าไปแล้วก็เอาเขาไปใส่ตรวนเสีย ขูดูฟะกลูทั้งมัลเจหิมศัลลูทั้งมัลในซิลส์เลต์ดรูห์ฮา32ดิรานฟัลนะวบลครับพี่น้องศิลาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรต่อครับมีเสียงบอกว่าจงเอาตัวเขาไปเอาตัวเขาไปตรวนเสียหลังจากนั้นก็เอาเขาไปโยนในไฟนรกเจหิมจะหิมขามาพระไฟเจหิมไฟนรกที่เป็นเปลวเพลิงที่รุก ثم في سنتين زرعها س ب ع ن ع فصدقه ن ه كان لا ي م ن بالله العظيم ولا ي ح د على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام ل ا من غ س ل لا ي ل ه ل ا ل خ ا و ن เพระเขาเ็ว่างไงครับตอนที่เขาอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างาย ي ؤ น ن بالله العظيم เขาไม่ศรัทธาต่อลอผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ไม่ส่งเสริม ในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารให้กับเด็กกำพร้าคือไม่เป็นผู้ให้ฝ่าลไซละฮุลเยามมาฮูนาฮามิมในวันนี้มิสหายเขาก็ไม่เหลือแล้วไม่มีมิสหายสําหรับเขาในดุนยาคนรวยคนมีอํานาจนี่ใครๆก็อยากเป็นเพื่อนใครๆก็อยากใช้เส้นใครๆก็อยากมาประจบสอบพอมาเลียแข้งเลียขาโลกหน้าหลังจากที่จะถูกนําไปตรวนแล้วนำไปโยนในจะหีมแล้วไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนเขาแล้ว เฟรเซรูเย่มาฮาวนาไฮมินเวลาต่ออัมมุนิลาเมนริสเลนแม้แต่อาหารจะกินก็ไม่เหลือแล้วนอกเหนือจากน้ำหนองที่ไหลออกมาจากแผลของชาวนาลกแปลว่าเครื่องดื่มของชาวนาลกที่เรารู้จักในสุรนนี้อาัลาก็อาะที่สิบเเเยครื่องดื่มคือน้ำหนองของชาวนาลกอีกทีหนึง่งที่ถูกลงโทษที่ถูกทรมาแล้มีน้ำหนองไหลมาชาวนากก็ต้งดื่ม สิ่งเหล่านี้นะเอาดบิลไลมิาลิกอกคุมของพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากการเป็นชาวนรกด้วยเถิดนะครับอาเมนและยาคุลูอิลลคาร์จูนพวกเราว่าจะไม่มีใครบริโภคมันนอกจากคนบาปเท่านั้นคนผิดเท่านั้น นี่คือประเด็นที่ว่ามุสลิมเราไม่ควรจะทําเป็นเล่นครับผมอย่างที่เรารู้ว่าประเด็นที่ทําให้เราได้รับความง่ายได้ทั้งดุลยาและอาคีระสามอย่างที่บอกไปแล้วอารต์วัตกรวัสดากับมินทุศนาถ้าพี่น้องท่านใดที่ว่าเริ่มรู้สึกกลัวไฟนรกเริ่มรู้สึกกลัวโลกหน้า3อย่างนี้ยิ่งจําเป็นต้องถามความง่ายได้นี้ไม่ใช่แค่ง่ายได้ในดุลยาแต่ง่ายได้ไปถึงอาคีรอเป็นผู้ให้ตักวาต่อร์ เชื <turbulence, S 2> bob. Bob. ่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ละโสร์บอกแล้วก็ต้องระวังสามคุณลักษณะนี้การขี้เหนียวการคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิเสธต่อสิ่งที่อัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่ละโสร์บอกไว้ครับผมท่านซันบัสตรี่ครับได้กล่าวไว้นะครับอ่รับมิลลัลครับยะอัลลมาอาซียะอัลลมา่งอาสีละละตักตอรรูบิสกูติละฮ์อังกุมฟลาวอะฮับบักุมละอาซามักุม ท่านศาสนาบาซีได้พูดไว้ครับเกี่ยวกับใครก็ตามที่ว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์จะเป็นกาเฟตจะเป็นมุสลิมหรือจะเป็นใครก็ตามแต่ท่านพูดว่าไงครับมาซีนละผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์จงอย่าได้มีความสุขอย่าได้พึงพอใจกับการที่ว่าคุณทําความชั่วแล้วอัลลอฮ์ไม่ลงโทษคุณตอนนี้คุณทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณยังรอดคุณยังร่ํารวยคุณยังมั่งมีเพราะอะไรครับเพราะ หากพวกอัลลอฮ์รักคุณพวกอัลลอฮ์ต้องคุ้มครองคุณไม่ให้ทําความชั่วแปลว่าใครที่ทําความชั่วรถทางสะดวกจะรักขโมยใครก็รู้สึกง่ายไปหมดจะจีบสาวฟันคนไหนรู้สึกมันง่ายไปหมดนี่เข้าทางเข้าได้หมดทุกทางเลยคือคนบางคนที่เราเห็นนะครับจะทําความชั่วอะไรเหมือนกับว่าทางมันสะดวกสําหรับเขาบางคนเล่นการพานันนี่คือเล่นเก่งมากๆ บางคนจะขโมยกัขโมยเก่งเมืออาชีพหรืออะไรก็ตามแต่โกหกนั้นโกหกแบบเป็นต่อยหอยเลยคือคนพูดความจริงยังสู้แพ้ประมาณนั้นนะครับผมทําไมถึงได้รับความง่ายไดถ้าหากว่าเอาล้อรักเขาอย่างที่พี่น้องทราบพระองค์ย่อมไม่ปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่ทําให้อล้อโกรธเกลียดอย่างแน่นอนเพราะฉนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําความชั่วเรารู้สึกว่ามันทําง่ายได้เหลือเกินต้องเริ่มมีสตินะมุสลิมต้องเริ่มมีสติว่าที่ฉันทําง่ายอย่างเนี้ย มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเอา ล, ล้อทิ้งฉันไปแล้วหรือเปล่าฉันสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมไปแล้วหรือยังต้องตรวจสอบตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปครับผมครับมีพี่น้องที่ให้สลามมานะครับก็ขอตอบสลามพี่น้องทุกท่านก็จะซาคุลละครัก็ไว้เลยคุณสลามวารามตุลละวะบารักาตุนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้สลามเวลามาพูดคุยกันแล้วก็มาทักทายให้สลามกันด้วยนะครับผมเรามาดูอายะต่อมาในซาอันเลลครับ วามายุกนีอันหูมาลูหูอิดาตรถดาข้อนี้แปลได้2อย่างหลังจากที่พระองคเล่าพูดถึงคุณลักษณะของเชาวนารกที่ว่าทำสามอย่างคนที่ว่าเขาจะได้พบแต่ความยากลําบากที่ว่าเขานั้นเป็นผู้ตันีิที่เหนียวคิดว่าวเจนั้นอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพระองคเล่าแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ดีงามต่างๆพระองคเล่าบอกไงครับวามายุกนีอันหูมาลูหูอิดาตรถดาเพราะคนที่มีคุณลักษณะ3ามข้อที่แมว่ามาเนี่ย เขาคิดว่าเงินคือทุกอย่างก็คือเป็นระบบเงินทุนเงินนิยมหรืออะไรก็ตามแต่ก็คือทรัพย์สินคือทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจคือทุกสิ่งทุกอย่างเพระเราบอกไงครับว่ามาโยกนีอันฮูมาลูฮูยาตรอตดาทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยมันจะช่วยเหลือเขาได้ไหมตอนที่เขาเป็นผุยผงไปแล้วตอนที่เขากลายเป็นเท่าไปแล้วนะี่ยทรัพย์สินนั้นจะช่วยประโยชน์อะไรเขาได้อีกไหมนี่ก็คือแปลด้วยกับคําถามจะช่วยอะไรได้อีกเหรือ ทรัพย์สินที่เขาขวนขวายไว้เมื่อเขากลายเป็นผุยผงไปแล้วจะช่วยอะไรเขาได้อีกหรือนี่คือแปลแบบเป็นคำถามหรือแปลแบบเป็นนาฟิยะก็คือทรัพย์สินที่เขามีนะี่ยมันจะไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อีกแล้วถ้าเขากลายเป็นผุยผงแปลได้ทั้งสองอย่างนี่คือความงดงามของกุรานอีกอย่างหนึง่งที่ว่าเราย้ําเป็นประจำก็คือหลายสำนวนเนี่ยแปลได้มากกว่าหนึง่งแล้วเป็นความหมายที่สมบูรณ์งดงามด้วยแปลได้ทั้งว่า สิ่งที่เขานขนควายไว้จะช่วยเหลืออะไรเขาได้อีกหรือถ้าเขากลายเป็นผุยผงหรือแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เขานขนควายไว้มันช่วยเขาไม่ได้อีกแล้วเมื่อเขากลายเป็นผุยผงนี่คือลาตาฟิลลาตา อ, อ, อีฟอลัลกรูรอังครับผมเราคิดดูครับตอนนี้เราให้ความสําคัญกับอะไรล่ะทรัพย์สินล่ะลูกหลานลูกหลานเป็นฟิตร์น่อย่างหนึ่งถูกไหมครับเมื่อเรามีลูกหลานบางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของมันว่าชีวิต แต่เมื่อมีลูกปุ๊บเราก็เริ่มอาจจะอยากรู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาโตอยากจะเห็นว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีความสุขไหมอยากจะคอยช่วยเหลือเขาแล้วยิ่งพอมีคนมาพูดชมเออลูกคุณดีอย่างนั้นลูกคุณดีอย่างนี้เออลูกคุณเรียนเก่งนะลูกคุณมารายาท ด, ดีนะลูกคุณไปสอบนั้นได้ไปสอบนี้ได้เรายิ่งมีความสุขยิ่งถ้าเกิดว่าโตมาใช่ไหมครับลูกเริ่มเติบใหญ่มีการมีงานแล้วโอเคลูกคนนี้ไปเป็นวิศวะคนนี้ไปเป็นแพทย์คนนี้ไปเป็นพ่อค้าใหญ่ รู้สึกว่าใจมันเติบเบิกบานเราก็รู้สึกว่าทำอะไรมันน่าจะง่ายได้ไปหมดแต่ว่าเมื่อถึงเวลาครับมาลูกหูทรัพย์นในที่เนี่ยครอบคุมความหมายทุกอย่างคืออะไรก็ตามที่เราขวนขวายเอาไว้เพื่อดุญยาถ้าเราตายไปแล้วมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยกับดุญยาเมื่อเราตายไปแล้วเขาก็กลายเป็นคนของดุลยาแค่นั้นถึงเวลาเขายกมือดัาขอร้องกับเรา เขาก็ยังไม่ขอขอก็ไม่เป็นก็ต้องไปให้คนอื่นขอจะละหมาดให้เราก็ละหมาดไม่เป็นจะทําความดีได้ถึงเรามันก็ไม่ถึงโลกหน้าดีไม่ดีเขาไปชี้หน้าดา่าเราต่หน้าเอาร้อกว่าเนี่ยย่าล้อเขาไม่เคยสอนฉันละหมาดเขาห่วงแต่เรื่องดุลยาเขาห่วงแต่ว่าฉันจะได้กี่ภาษาเขาห่วงแต่ว่าฉันจะสอบนั่งติดไหมสอบอันนี้ติดไหมแต่เขาไม่เคยถามฉันห่วงฉันเรื่องการละหมาดเลยถ้าจะลงโทษฉันลงโทษเขาก่อนวามายุคนี้อันหูมาลุห์อิาตะรดดาช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับ ทรัพย์สินนะั้มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วเมื่อเรากลายเป็นผุยผงฟิตนสที่ใหญ่ที่สุดความมุ่งวายที่ใหญ่ที่สุดในสังคมของเรานะครับหลักๆ ก, ก็จะมี2 อ, อย่างสําหรับผู้ชายก็คือผู้หญิงเป็นฟิตนสใหญ่ที่สุดและส่วนสําหรับคนทุกคนนั้นก็คือทรัพย์สินถูกไหมครับอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงินอยากได้ของใช้ดูหรูอะไรดีๆอย่างถ้าเกิดอยากเป็นคุณสภาพสตรีบางทีก็อยากได้กระเป๋าแพงๆใบละหลักแสนใบละหลักล้าน ผู้ชายก็อาจจะเป็นชุดอาจจะเป็นของเล่นเป็นอะไรก็ตามแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อายานี้อายาเดียวครับเพวงมาล้นน่าจะน่าจะเตือนสติของพวกเราได้หลายคนแล้วว่ามายุคมีอันฮูมาลูฮูยาตรร ด, ดาทั้งหมดที่เรากำลังพยายามขนไคว่ที่เราพยายามจะเก็บเงินเพื่อซื้อที่เราพยายามที่จะทุ่มเทเพื่อได้มันมามันจะยังประโยชน์อะไรเราได้อีกไหมถ้าเรากลายเป็นผุยผงไปแล้วถ้าเรากลายเป็นเศษทุ่นดีไปแล้ว ถ้าเราพยายามคิดอย่างนี้ให้มากความอยากในดุนยาเราจะน้อยลงไม่ใช่ว่ามุสลิมทิ้งดุนยาหมดไม่ใช่ว่าห้ามมีมือถือห้ามมีของที่ต้องใช้ไม่ใช่ถ้ามันต้องมีก็ให้มีเพื่อให้อลัลลอฮ์รักด้วยไม่ใช่มีให้จบให้ดุนยาไม่ใช่ว่าฉันต้องตามเทรน์ให้ท่านเพื่อดุนยาและถึงเวลาก็จบถ้าฉันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดุนยาให้มันเป็นประโยชน์กับฉันไปถึงอาคีราอด้วยอันนั้นคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนเราควรจะต้องให้ความ สำคัญกับมันครับผมซึ่งคําว่าทุลีในที่นี้ครับตอรัส ด, ดาเนี่ยทรัพย์สินจะยังประโยชน์อะไรให้ได้เมื่อเราไปอยู่ที่หลุมฝังศพแล้วก็วันเกียร์หมถูกไหมครับคือไม่ใช่แค่วันเกียร์ม้อย่างเดียวนะที่ทรัพย์สินช่วยประโยชน์ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เพื่ออเคียร์เราเริ่มตั้งแต่ในดุลยาแล้วตั้งแต่เข้าไปหลุมฝังศพแล้วเทนเบีย ร, ร์วัสดุฮาวเลสซัลมบอกว่าไงครับ เมื่อใครสักคนตายทุกคนน่ะแหละครับผมหรือพี่น้องเมื่อพวกเราเสียชีวิตท่านนาบีบอกว่าถึงเวลาจะมีสามอย่างตามเราไปสองอย่างจะไม่ได้ตามจะกลับออกมาจะมีแค่ยอย่างเดียวที่อยู่กับเราเวลาเราตายหมายถึงพวกเราตายหมายถึงผมตายหมายถึงพี่น้องตายสิ่งที่จะตามไปส่งเราด้วยทรัพย์สินที่เราพอจะมีมันก็จะตามเราไปด้วยอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นรถที่เราเคยมีกันะ ไ, ไปส่งมยัทเราหรือว่า เป็นค่าใช้ใจ่ายนในเรื่องการขุดหลุมในอะไรก็ตามแต่ทรัพย์สินตามเราไปถึงปากหลุมเครือญาติสนิทมิสหายคนที่รักเราก็จะตามเราไปถึงกูโบเหมือนกันถูกไหมครับก็มีคนไปส่งมายึดเราแล้วสิ่งที่สมที่จะตามเราไปด้วยก็คือการงานทั้งหมดที่เราทำในดุ n ยา ถึงเวลาเมื่อเราถูกฝังผมใช้คําว่าเรานะครับพี่น้องต้องถูกฝังทุกคนอินชาลอถ้าเกิดว่าไม่เสียชีวิตได้กับรูปแบบอื่นที่มันฝังไม่ได้แล้วผมก็ต้องเสียชีวิตผมเองก็ต้องถูกฝังเมื่อพวกเราทุกคนถูกฝังทรัพย์สินไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันก็ไปในที่ของมันก็อาจจะมีคนนั้นแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้นนนลูกหลานหรือว่าใครที่รักเรามากแค่ไหนเขาก็อยู่กับเราได้แค่นั้นแหละแค่จะถึงตอนเราถึงกูโบ เขาก็ต้องจากเราไปก็ต้องจำจากเราไปถึงเขาไม่อยากจากเขาก็ต้องจากเราไปแต่การงานไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วมันไม่ไปหาลูกหลานเรามันไม่ได้ไปหาทรัพย์สินของเรามันจะอยู่กับเราทนายบีมัสซ์ลอร์สแลมได้อธิบายไว้ถึงความน่าสะพรึงกลัวแรกๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวกูบิ้ถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีการงานที่ดี มีแต่การงานที่ชั่วร้ายถึงเวลาปุ๊บเขาจะพบคนที่มาแล้วเขาพูมีแต่กลิ่นที่เหม็นหน้ารังเกียจมีรูปร่างที่อับประลักแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ยแกเป็นใครทํำไมกลิ่นก็เหม็นทํำไมมาอยู่กับฉันเนี่ยมาทําไมเนี่ยฉันไม่อยากให้อยู่บุคคลที่มาอยู่กับเขาได้บอกว่าฉันคือการงานของเจ้าที่เจ้าได้ทําไว้ในดุนยาตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นคนที่ว่าทําการงานเพื่อรักรักมาตลอดเวลา คนที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนเขาตอนที่เราแทบอยากจะสิ้นสติคือพี่น้องจินตนาการออกไหมตอนที่เราอยู่ในหลุมอะพี่น้องเราอยู่ในหลุมฝังศพมันมืดมันอะไรยังไงไม่มีใครรู้เพราะมันเปไ็นเรื่องอินมุนเก็บแต่ที่แ น, น่ๆเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อคนทุกคนจากไปความคิดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในหัวเรามันเกินจินตนาการแล้วพี่น้อง การที่มีใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนการที่การงานที่ดีมาบอกว่าฉันคือการงานที่ดีที่คุณเคยทำฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณมันมีความหมายกับพวกเรามากนะครับผมมากกว่าทุกอย่างที่พี่น้องกำลังเครียดอยู่ตอนนี้ในด u n y a ซะอีกตอนนี้เรากาลังเป็นคนเลือกครับว่าเราเนี่ยอยากจะให้ ใครแหละมาอยู่เป็นเพื่อนเราเราอยากจะให้คนที่น่าเกลียดขยะขยงเราอยู่อยู่ใกล้เราแล้วก็เกลียดเราก็กลัวเราก็ยิ่งเครียดอยู่กับเราไปจนถึงถูกสอบสวนถูกทรมานถูกอะไรหรืออยากจะให้มีใครที่ว่าเป็นคนที่เราดูแลสบายใจรู้สึก ป, อปลอดโปร่งใจอยู่ด้วยแล้วเป็นกําลังใจรู้สึกใจอบอุ่นแล้วอยู่กับเราไปจนถึงวันสอบสวนเราเป็นคนเลือกเองพี่น้องต้องระวังนะครับพี่น้องต้องระวังเราต้องเป็นคน เลือกเองครับผมอินน์ علينا للهودا وإن لنا للآكِرَاتِ والأُولَى หลังจากที่เราได้พูดครับถึงเรื่องของทางเลือกกุญแจสามดอกแห่งความง่ายดายกุญแจสามดอกแห่งความยากลำบากแล้วก็ข้อเท็จจริงของดุนยากับคนที่หลงไหลในดุนยาเพราะเราบอกไว้ครับอินน์อิลัยน์นัลฮูดะแน่นอนน่ยสำหรับเราแล้ว เรามีหน้าที่ในการที่จะชี้แนะทางนําที่ถูกต้องในการให้ทางนําที่ถูกต้องในการบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ช่วยประคับประคองให้มุสลิมนั้นสามารถไปในเส้นทางนั้นได้แต่เขาต้องเลือกเองด้วยนะเพราะพวกเราไม่บังคับใครให้เป็นคนดีเช่นเดียวกันพวกเราไม่เคยบังคับใครให้เป็นคนชั่วใครจะเป็นคนดีเป็นคนชั่วเขาเลือกของเขาเองเมื่อเขาเลือกแล้วพวกเราก็ช่วยให้เขาไปให้ถึงสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบ สิ่งที่เขาเลือกอินน่าไอเดน่าเลนูเดทางนำของผู้ล้อเป็นทั้งทางนาที่บอกว่าชี้ให้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างผู้ล้อบอกเขาดูว่าต้องละหมาดที่อวล้อรักนะต้องไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะต้องมีความเมตตาระหว่างกันต้องมีการให้อภัยระหว่างกันต้องมีความรักระหว่างกันต้องพยายามทําตัวให้อล้อรักต้องศึกษาอัลกุรอานต้องศึกษาอิสลามต้องทําตัวให้ดีที่สุดผู้ล้อสอนมาทั้งหมดในขณะเดียวกันพผู้ล้อก็ช่วยให้เราทํามันได้ด้วย เหมือนกับพี่น้องจะละหมาดพี่น้องคิดว่ามันเป็นความสามารถของเราเองไหมที่เราละหมาดได้ไม่ใช่นะคนบางคนอยากจะละหมาดได้แต่เขาต้องละหมาดท่านอนเขาต้องละหมาดท่านั่งเพราะมันไม่ใช่ความสามารถของเราเลยตอนนี้พี่พพวกเราที่พี่น้องยังยืนละหมาดได้เพร่อเลอยังเมตตาให้เรายืนละหมาดได้ บางคนสามารถละหมาดได้แต่บางคนไม่สามารถละหมาดได้บางคนติดงานปุ๊บทำงานฉันทิงงานไม่ได้เลยบางคนขายกับข้าปุ๊บฉันไม่มีที่สะอาดให้ละหมาดหรือบางคนเป็นหมอบางท่านเป็นหมอต้องผ่าตัดบางทีบางเคสสิบกว่าชั่วโมงนับไปเลยสีเวลาไม่ได้ละหมาดเลยต้องไปชดใช้ทีหลังทีเดียวหมดเลยการที่สามารถทําอิบาร์ดะได้เป็นหนึ่งในความโปรดปานความเมตตาที่สุดที่พวงล้อให้กับพวกเราทุกคนแล้ว ถ้าพี่น้องยังสามารถละหมาดได้ยอย่างปกติอย่าลืมว่าต้องขอบคุณพระละล้อด้วยแล้วเพื่อนใดก็ตามท่านใดก็ตามที่ว่าละหมาดแล้วยังมีอุปสรรคยังมีความยากลําบากอาจจะด้วยกับไขข้อด้วยกับหลังด้วยกับอะไรก็ตามแต่ก็ยิ่งต้องขอบคุณละล้อให้มากที่ว่ายังไม่ยังให้โอกาสเราได้ทําอิบาดะถึงแม้ไม่อยู่ในรูป b l a c ที่สมบูรณ์แต่เรายังทําได้อยู่และอิบาระยิ่งทําลําบากพวกละล้อก็ยิ่งตอบแทนให้มากขึ้นไปเท่านั้นอีก แต่สําหรับผู้ที่ว่าเป็นชาวหลุมศพไปแล้วมันจบไปแล้วสําหรับเขามันจบไปแล้วเหลือแค่ว่าถ้าเขามีทายาททายาทจะช่วยดูอาให้เขาไหมทายาทจะทําสิ่งที่ดีเพื่อให้มันไปถึงเขาไหมหรือเขาเคยบริจาคอะไรที่มันเป็นทานเป็นสระกัจาริยาไหมหรือเคยสอนใครแล้วความรู้นั้นเป็นประโยชน์ไหมก็เหลือแค่นั้นแหละถ้าเขาไม่มีที่ว่ามาเลยนะอุสบินละครับก็เกินจินตนาการว่ามีอะไรบ้างที่จะรอเราครับผม เดี๋ยวความเมตตาของพระพละอปงได้กล่าวเขาบอกมาคุณนาโมอัจจิวีนฮัแต่นับอาซารอัซู่ละเราจะไม่ลงโทษใครจนกระทั่งว่าเราจะได้แต่งตั้งทูตศาสนาทูตมาเผยแพร่ศา ส, สนาของเราให้ได้รับรู้กันก่อนตอนนี้ศาสนาถูกเผยแพร่อย่างสมบูรณ์อย่างครบทั่วนแล้วนับตั้งแต่ที่พระลราประทานอายักุรานว่าอเยวมาอัคมังตูละกลุมดีนะกลุ่มในวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แบบไม่มีเพิ่มไม่มีลดทุกอย่างวางกรอบไว้อย่างชัดเจนแล้ว ชัดเจนตอนนี้หลายๆท่านครับพวกเราหลายหลยคนเราก็มีความรู้มากมายในเรื่องของศาสนาเรื่องของตำลับตาราปัญหาก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำหรือเลือกไม่ทำแหละพี่น้องครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับพี่น้องบางท่านเคยสังเกตไหมครับผมไม่รู้ว่าบางท่านอาจจะเป็นอยู่หรือบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นว่ารออาลัมแต่สังเกตไหมครับว่าคนเราหลายครั้งอ่ะยิ่งเราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, น, นเหมือนกับว่าความอดทนของเรามันจะน้อยลง อันนี้บางเคสนะครับบางเคสยิ่งอายุมากยิ่งอดทนมากยิ่งขึ้นอัลฮัมดุลิลละแต่บางเคสจะพบว่าทําไมฉันโตขึ้นเหมือนกับความอดทนฉันมันน้อยลงฉันไม่อยากจะทนอะไรโดยเฉพาะบางทีกับคู่ครองบาโดยเฉพาะบางทีกับคนในครอบครัวไม่อยากจะทนอะไรแล้วรู้สึกความอดทนมันหายไปแล้วพี่น้องที่รักยิ่งครับความอดทนของเราไม่เคยหายไปไหนความสามารถในความอดทนของเรามีมากขึ้ น, นเรื่อยๆตามอายุที่ผ่านมายิ่งอายุมาก ความสามารถที่จะอดทนยิ่งมากขึ้นสิ่งที่หายไปคือแรงจูงใจที่จะอดทนต่างหากนี่คือสิ่งที่ว่าเริ่มหายไปจากพวกเราหลายๆคนลองจินตนาการดูครับถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเราอาจจะไม่สบายใจไม่อยากจะอดทนกับคู่ครองไม่อยากจะอดทนกับคนในครอบครัวแต่พี่น้องลองคิดดูว่าบางทีเรื่องเดียวกันหากเป็นคนนอกมเราทนกับเขาได้ ยกตัวอย่างเหมือนจะว่าถ้าเกิดว่าภรรยาอาจจะมาขอเราบอกว่าเนี่ยช่วยส่งไปซื้อของหน่อยเราจะบอกว่าเราเหนื่อยแล้วไม่อยากไปมีรถกลับไปเองหรือว่าเดินไปเองสิทําไมต้องไม่ฉันไปด้วยทั้งๆที่เป็นอมาม า, านะเราแล้วเราเป็นพ่อบ้านนะอามานะต้องดูแลคนในครอบครัวแต่เราเลือกที่จะไม่ทนไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถจะอดทนได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทนเพราะถ้ากลับกันสมมุติว่ามีเป็นผู้หญิงสวยๆที่ว่าเข้ามาหาเราแล้วภรรยาเราไม่รู้คือเราไปแอบรับๆ แล้วเราถูกตาถูกใจเธอแล้วเธอขอให้เราส่งไปซื้ออะไรโอกาสที่เราจะไปส่งสูงเราจะไม่พบว่าฉันไม่อยากไปฉันเหนื่อยฉันเบื่อฉันอะไรไม่เกี่ยวแปลว่าความอดทนเราเนี่ยมีเพียงแต่ความคิดที่จะทนเนี่ยมีหรือเปล่าแรงจูงใจที่จะทนเนี่ยมีหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับมุสลิมหลักๆในดุนยาครับสวรรค์เข้าได้เดียวกันฝืนในรกจะได้เข้าถ้าตามใจเรามีความสามารถที่จะฝืนเรามีความสามารถที่จะอดทน คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเรามีแรงจูงใจมากพอที่จะอดทนแล้วมากพอที่จะฝืนหรือเปล่าถ้ามันไม่มากพอนั่นคือสอบตกถ้ามันมากพอก็คืออธฮัมยและแล้วก็คือสอบผ่านครับผม ครับสำหรับวันนี้ครับเราน่าจะพูดคุยได้แต่เพียงเท่านี้ินชลาสุร้อครั้งหน้าเรามาต่อกันในอายะที่สิบสอนะครับผมในส่วนของสุระออเลนบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมใช้เวลานา น, านคือจริงจแต่ละสุร้อผมอยากจะใช้เวลานานๆอยากจะค่อยๆคุยกับพี่น้องอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรดีๆให้กับกันและกันแต่ว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็คืออยากจะให้มันจบเป็นคอร์สสุร้ะคอร์สสุร้อแต่เนื่องจากช่วงนี้เราเน้นทางออนไลน์ซึ่งก็คิดว่าพี่น้องถ้าเกิดสะดวกก็ย้อน หลังเปิดดูที่หลังอะไรได้ไม่น่าจะมีปัญหาไปไหนก็เลยว่าก็ขอไปกันแบบเรื่อยๆโดยที่หวังว่าเน้นให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจเรามากที่สุดเพราะว่าไม่มีคําพูดใดที่เราจะพูดคุยกันที่จะเป็นที่รักสนองอัลลอฮ์นอกไปจากคําพูดของพระองค์อีกแล้วก็หากพี่น้องท่านใดมีอะไรจะเสนอก็สามารถส่งข้อแนะนําหรือว่าข้อเสนอมาได้นะครับผมเลาทำดีแล้วครับมีพี่น้องบอกว่า สบายใจดีใจนะครับที่ได้ยินในเรื่องราวศาสนาของพ Al ุ่งอัลลอฮฺอะลัยฮุยละครับขออัลลอฮฺให้ทางนำํำท่านพี่น้องแล้วก็ให้ทางนําพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินเช้าล้อครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อในคอร์สของซีร็อปประวัติศาสตร์ท่าน อ, อับดุลเบี๋ยมอัลลอฮฺอะลัยฮุยลมแล้วมาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อซึ่งมันน่าจะเป็นอุทหาหรณ์ที่ดีสําหรับพวกเราทุกคนได้เช่นเดียวกันครับสําหรับวันนี้ก็ أقولوا قولي هذا و س ق ر ا الله لي ولكم و ر س ا ال ل ل مسلمين من كل ذنبا س ق ر إن هو القفور رحيم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستقلك واتوب إلي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته